ฟังคำแนะนําในการเจริญธรรมฐานคืนนี้วันนี้ก็คงเป็นมหารธรรมฐานสุดโคตรสุดท้ายคือเป็นหมวดสุดท้ายแต่ยังไม่จบคืนนี้เป็นจบุ่งนี้คือพระอริยสัจอริยะนี่แปลว่าประเสริฐหืว่าบริสุทธิ์สัจจะแปลความจริงถ้าจะแปลเตรียมสาระมัก็ต้องแปลความจริงที่ทําคนให้เป็นพระอริยเจ้า หรือว่าความจริงพระอริยเจ้าก็ได้หมวดนี้สูงมากคำว่าสูงไม่ได้ไหมายความถึงว่าปฏิบัติยากแต่ว่าเป็นหมวดที่ทำคนให้เป็นพระอริยเ <c oughs> จ้าจากนั้นเวลาที่พระุทธเจ้าทรงเทศชาดก็ดีทรงเทศก็สู่ก็ดีถ้าลงท้ายพระพุทธเจ้าก็ลงเมื่อริยสัจเมื่อลงด้วยอริยสัจพระฟังจบ ก็เป็นปัศสดาบ้างทีทาคานาคารายกันบ้างวันนี้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทจะฟังเรื่องเหตุเกิดทุกข์ที่เรียกว่าสมุทยัยเม่าวานี้ฟังเรื่องทุกข์แต่ว่าก่อนจะฟังเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ขอย้ำตอนต้นนิดหนึ่งนั่นคือว่าพยายามหาทางเหลียบายภูมิให้ได้อันนี้ต้ขอย้ำนะ เพราะว่าการเจริญพระกรรมฐานก็ดีปฏิบัติธรรมก็ตามแล้วศึกษาธรรมประเภทไหนก็ตามจะเก่งตำราขนาดไหนก็ตามถ้าเหนิยบายภูมิไม่ได้ก็ถือว่ายังเก่งไม่พ อ, อยาตัวรอดไม่ได้การทรงฌานโลกีแม้จะได้สมาบัตแปดหรือห้าในปัญญาหกสองในวิชาในวิชาสามก็ยังถือว่าเป็ น, นอนิจจยตาบุคคลบุคคลที่ไม่แน่นอน มันหมายความว่าถ้าตายจากความเป็นคนจะลงบายยภูงก็ได้ไม่ลงก็ได้เราก็ต้องเอาความแน่นอนกันความแน่นอนที่ในวันนี้าตุผู้คนคือคนแน่นอนก็คือคนที่ไม่ลงบาเยภูิขึ้นชื่อว่าบาปเก่าทั้งหมดที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่ให้ผลจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการบุญมุสาวาตเดิมภุราเมรัยนินทาชาวบ้าน เศกกิจทิศชั่วก็ตามทั้งหมดนี้ไม่มีโอกาสให้ผลเรารนำมาบายภูมินั่นคือปฏิบัติตามมระโสดาบันคำว่าปฏิบัติตามมัสโซดาบันก็หมัยควา ว, าว่าพระโสดาบันท่า น, นทรงแบบไหนเราก็ทรงแบบนั้นถ้าถามว่า้าทรงแบบนั้นไหมนั้นแล้วจะเป็นมาสโสดาบันไหมก็ต้องตอบว่าไม่จาเป็น จะเป็นบาโสดาบันหรือไม่เป็นก็าตามจะไปคิดคิดที่เพียงว่าท่านละได้แบบไหนแล้วละแบบนั้นถ้าไปคิดว่าเราเป็นพระอริยเจา้าถ้าบังเอิญไม่ได้เป็ น, วปนความประมาทจะเกิดขึ้นเหตุร้ายจะเกิดขึ้นมาตายไปจรยบายภูมิที่นั้นในตอนต้นเอาแค่ปฏิปทาของท่านมาปฏิปทาของบาโสดาบันก็คือหนึ่งตัดสกายติถิเบีองต้นแบบหยาบ แต่แต่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทำแบบย่อแค่ตรงคือถาอ้าคิดตามใจรักก็ได้คิดให้กว้างกว่ในีินิดเนี่ยเป็นมิปันสนาใหญ่กว้างกวางว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็เสื่อมไปทุกขังมันมีแต่ความทุกข์นับตาได้สุดก็พังอย่างนี้ก็ได้ ถ้าอย่างนี้ยาวไปคิดว่าร่างกายนี้จะต้องตายยังไงไงเราก็ตายแน่ขึ้นที่ว่าการพ้นความตายของเราไม่มีแต่าการตายคราวนี้เราจะตายเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีความตายอีกสำหรับเรานั่นคือยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านจะยอมรับรับถือด้วยความจริงใจใช้ปัญญาทุกอน ว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระธนรก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีดีควรกา ร, การเรานับถือไหมถ้าเหนว่าดีพอก็ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ <c oughs> และต่อไปก็เป็นการกั้นนายบุญภูมิโดยตรงนั่นคือทรงสินห้ากับขมวสิบพบถ้วนขอพูดรวบสินห้าขมวดสิบทางกายมีสี่คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักรัพ์ สามแม่พฤกษีในการามสี่แม่ด่มสุรารมไรคู่กันนะกำหนดสิบก็สินห้าคล้ายเพืนกันมากเหมือนเหมือนกันหลายข้อขําหรับทางราจากาหนดสิ บ, บมี 4, สี่สิ้นห้ามีหนึ่งเราก็ใช้กักบหนดสิบ 10, เพราะว่าพระโสดารปัญก็ดีพระสกิทธาคามีก็ดีปากของท่านไม่เป็นภัยกับใครไม่สร้างความเดือดร้อนจากปากของท่านให้เกิดจากคนอื่น นี่จะต้องถือหลักสี่ราการคือวาจาสี่อย่างคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดหรือไม่นึงทาชาวบ้านเนีเขาแตกกันสี่ไม่พูดวาจาไรประโยชน์พามาพเจอไรประโยชน์วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดวาจานั้นใช้วาจาสี่วาจาต่อไปทางด้านจิตใจก็มีสามคือหนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำแล้วกับรายการที่สองยังมีความโกรธอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงโกรธง่ายหายเร็วหรือโกรธช้าหายเร็วโกรธยากหายเร็วถ้าไม่มีการจองร่างจองฐานจองเวรจองกรรมไม่มีการอาาักขาทิพย์ได้ข้อดีสามเพื่อตัณย์ใจจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ นั่นคือว่าไต่ตรองแล้วไข่ควรแลเห็นว่ า, ำำององรารพระธรรมคำส่อสอนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรปฏิบัติตามนี่พูดตามแนวหลักวิชาถ้าตามแนวการปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติตามนี้ไม่กันท่านแนวปฏิบัติให้หนึ่งตั้งต้นอานาปานุสติเริ่มต้นจับลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติ ความตายนี่ความจริงไม่ต้องนึกทั้งวันนึกขึ้นื่นขึมาเช้าจะนึกครั้งสงครั้งก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจไม่ประมาทในความดีรวบรวมยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรียกวาพุทธานรัติกกรรมฐานยอมรับนับถือประธรรมเรียกว่ธรรมมานัตติกกรรมฐาน ยอมรับแลถือพระอริยสงฆ์เดียวกับสังขารนิติกรรมฐานอันนี้ใช้รพร้อมกันได้เลยแต่บางแห่งบอกว่าท่านนึกถึงพระพรุทธเจ้ารล้วห้ามนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นไม่จริงพระพรุทธเจ้าไม่เคยบอกไว้ให้นึกพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันและต่อไปก็ใช้ศีลารณิติกรรมฐานขึ้นนึกถึงศีลศีลารณิติกรรมฐานนึกอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยคอยนึกไว้ ว่าสิบห้ารายการก็ดีกำหนดสิบราการก็ ด, กกดีมีอะไรบ้างเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อสิขาบทสิบรายการคือกำหนดสิบแล้วสิบห้ารายการจะห้าสิขาบ ท, ราารบาบทเราจะทรงตนให้อยู่ตามนั้นแล้วก็หลังจะนั่งไม่คิดตามนี้แล้วก็ภาวนาตามปัญญาใส่มี่เรปฏิบัตินะจะว่าพุโทโธ อ, อะไรธรรมโมได้สังโฆอะไอะไรก็ตามชอบใจ หรือจะไม่ภาวนาจะดั่งพิจารณาไข้โกลนึงความดีพระพุทธเจ้าพระรรมพระ อ, อริยสงฆ์รักสินนิกรรมวสิธก็ได้ตามใจชอบหลังจากนั้นถ้าทำเรื่อยๆไปทุนท่านจิตเข้าถึงจุดสำคัญนั่นคือโคตรปูยานของปัณสดาบันตอนนี้อารมณ์ใจรขงบุคคลขันนั่นจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งจิตไม่ต้องการอย่างอื่น จิตต้องการนิพานอย่างเดียวขึ้นที่ว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวด า, าก็าดีเป็นพรก็ดีไม่มีแล้วเลิกกันแม้จะต้องการนิดหน่อยว่าเทวดาหรือพรดีก็ไม่มีไม่ใช่เราตัวพรตัวเทวดานะั้นดินแดนนะดินแดนเขาเมนุษย์ก็ตามดินแดนเขาเทวด า, าก็าตามพรก็ตามเราไม่เห็นว่าดีเพราะเป็นดินแดนที่ไม่พ้นทกองจริงเ ร, เราต้องการนิพาน อารมณ์นาบแจ้งนิพพานอย่างยิ่งจิตใจทรงโตมีความเอือปีนตอนนี้เรียกว่าโคตรภูงิมะโสดาบันเมื่อจิตย่างเข้ามาถึงระโสดาบันอารมณ์เฉยเกิดขึ้นคําว่าอารมณ์เฉยคือหมความอารมณ์ชาในด้านของความชั่วอย่างความโกรธมันยังโกรธอยู่แต่โกรธชาวกว่าเก่าถ้าหายไดเว่าเก่าไม่มีการจองร้างจอมผันสังเกตที่โกรณ การอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดไม่มีในจิตใจของเรามีอย่างเดียวคือถ้าประกอบไปอาชีพมาชีวะหาเลี้ยงโดยชีวิตที่ดโดยชอบเราต้องการชิงใดที่เป็นอายการสุจริญได้มาด้วยความกุศลผุดทองอันนี้เราต้องการต้องถ้าอยากจะลักเขาจะละโมยเขาโคดกงเขาไม่มีนายลมไม่ร ว, วมวันว่าตอนได้จิตใจก็มีความสุขดี ในปฏิ ก, ก, การที่ต่อไปการคิดทีค่ค่คาเองค่าเขาไม่มีกระรองความว่าพระโสดาบันเอาง่ายๆจําองค์พระโสดาบันได้ดีแค่องค์นะสําหรับท่านที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีพระทรงอารมณ์สี่อย่างคือหนึ่งพุทธานุสติยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าสองธรร ม, มานุสติยอมรับนับถือพระธรรม สามังขานุตินั่นจึงยอมรับถือพระอัยยโสและก็สี่สีลานุติมีศินห้ากจำนวสิบครบถ้วนจิตต้องการใผานผายมีเท่านี้เองในตอนต้นเขา ญ, ญาตโยม บ, บริษัทใส่กัดกำลังใจอยู่ในขั้นนี้ใได้ก่อนมันภาพบังอะไรบ้างก็เป็นของธรรมดาแต่คอยเตือนใจไว้สติใช้สติความะระลึกได้สัจัญญะบวการรู้ตัว ว่าเวลานี้เราพ้องอะไรบ้างในสังโยชน์สามลืมความตายหรือเปล่าบางครั้งมันลืมว่าเตือนมันดดตัวจงอย่าลืมความตายลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าลืมศีลลืมเรื่องเรื่องกรรมสิบหรือเปล่าเตือนไม่บ่อยๆไม่ช้าจิตเป็นย่งในการทรงตัวถ้าทรงตัวได้อย่างนี้บรรดาเจาาพุทธบริษัทความดีขั้นแรกคืนหนึ่งจิตเป็นสุข ความทุกข์ทางกายมีแต่จิตใจทุกข์ยากจิตใจมันเรียบร้อยมีมีความเยือกเย็นแล้วก็รายการที่สองอบายภูมิไม่ไปกันแล้วบาปเกา่าๆมีอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องนึกถึงซึ่งที่ว่ากายเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเปเปรตก็ดีเป็ น, ป น, ป น, ปนุรกายก็ดีเปสัตว์ดีชัยก็ ด, กดีไม่มีแล้วเราต่อไปอีกแล้วหมดกันมีทางเดียวไปเกิดบนสวรรค์ดนพระมโรคและปัญานิพานตร นี่สกัดตอนต้นแค่นี้นะนีต่อไปคือตอนนี้ก็มาเรื่องบางเรองอริยสัจข้อที่สองของควกข้อที่หนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาปฏิบัติได้หรือไม่ได้ยังไม่สำคัญแต่ควรจะมีอยู่ด้วยอริยสัจข้อต้นก็คือทุกก็คือในพูดถึงทุกวันนี้ก็พูดเหตุที่เกิดทุกคือสมุทยัยแต่ว่า เมื่อพูดก็ต้องพูดควบกันสองอย่างถ้าเป็นสามสี่ก็ต้องควบกันไม่กันไม่งั้นจะเฟืออันดับแรกนึกถึงตัวทุกข์เสียก่อนว่าอะไรมันเป็นทุกข์ตามแบบถ้าเรียนเรียงไว้มากถ้าไล่เบี้ยตามแบบญาติโยามพุะตถาคตใสก็อาจจะหนักใจสมุดไทยในการสมุดไทยยิ่งหนักกว่าทุกข์มากเรียงไปเยอะแยะหลายสิบข้อก็ขอว่ายอยกตามที่เราต้องการใช้กัน คำว่าทุกแปลสิ่งที่ต้องทนได้ยากมันจำจะต้องทนแต่ว่าทนยากไม่จะทนง่ายมันจะดิ้นรนมีความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่เสมอถ้าเล็กน้อยมันทนได้มันก็ลืมไปแต่ทุกตัวนี้มันไม่ลืมทุกที่ไปจำที่ได้วันนี้พัฒนจะทุกขก์หนึ่งความหิวความหิวเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ ไห้ความหิวเกิดขึ้นมันทนได้ยากการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ประจําวันหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์อย่างนี้เขาเรียกได้ว่า เ, เรียกวันนี้พัตนทุกทุกหนึ่งลิตต่อไปความกายเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ท่านพุชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็พบกับความแก่บ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างถ้อยคาที่ไม่ชอบใจบ้างความปรารถนาไม่เคยสมหวังบ้างความป่วยไข้ไม่สบายบ้างการทัดท่าจะขอรักขอจอดใจบ้างในสุดความตายเข้ามาถึงทั้งหมดนี้เกิดมาพบหมดมันก็ทุกๆอย่างาความแก่ใคร้ามายิ่งทุกข์หนักมาทุกประจําวันเพราะมีการไม่คล่องตัว ให้ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์การพัดผ้าเจ้ของรักของชอบใจก็เป็าทุกข์ความตายเข้าขมาถึงก็เป็นทุกข์รวมความว่าทุกวันเราพบแต่ความทุกข์ที่เราไม่รู้สึกทุกข์ก็เพราะทุกขจนชินเลยลืมคำวมาทุกข์ไปนี่จัดทุกขว้ก่อนจะให้มันเห็นแล้วก็ร น, นึกใยาวต่อไปนึกเพื่อเป็นมิจฉนา ย, ยาง ในด้านรู้ศาสนาใหญ่มิปัญญาเรารู้แจ้งเห็นจริงใช้สาวิปัสนาเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจบางท่านนะมิปัญนาเรารู้แจ้งและเห็นจริงตามความเป็นจริงคือใช้ปัญญาพิจารณาเราเห็นตามนั้นว่ามันจริงตามนี้ที่ว่าจริงเพราะว่าในเมื่อเกิดมาในชาต์นี่มันเต็มด้วยความทุกข์ถ้าวันเอิญเราตายจากความเป็นคน แล้วกลับมาเป็นคนใหม่อีกีชาติมันก็ทุกแบบนี้มันก็ป่วยแบบนี้มันก็แก่แบบนี้ก็พักราชจากควารักของชอบใจแบบนี้นก็ตายแบบ น, น, บบนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขนี่เมื่อทุกมีอย่างนี้เราเราจะหนีทุกข์ไปคนได้ไหมพระเจ้าเราทรงตรัสว่าได้ต้องหาเหตุของความทุกข์ก่อนแทตที่ทําให้เราเกิดทุกข์มีอะไรท่านเรียกสมุทยัย โดยหมดไทยนี่ถ้าว่าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าตัญหาสามดายการตัญหาได้ความทยานอยากวาดอยากอยากได้นอนอยากได้นี่อยากกินนั่นอยากกินนี่โอ้ปัญหาเท่านั้นพระบเจ้ามีตัญหาหมดมีไหมมีพระไม่มีตัญหามีพระพุรูปเหใช่ไหมตัญหาไม่กินไม่หวานไข่แต่ว่าการอยากต้องสักเกตยอยาก สำหรับความอยากคุ้ะภได้แล้วก็ไม่ละได้แล้วมันต่างกันภ u ละได้แล้วอย่างพระพุทธเจ้า่ยเรานึกเกล็บเนื้อว่าท่านมีตัณหาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเขาถวายขอราคามากวิหารหลังหนึ่งราคาหลายสิบโกดแพงกระโบดวิหารเวลานี้มากเขานับเป็นโกดจังที่ไม่นับเป็นบาทไม่นับเป็นล้านแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดแจงมีความห่วงใยในวิหาร การบมิรัไปแสงขอนวางไประเบียบไปเลยว่าพระต้องทําปัดวาราม่ทําไม่ได้จะคิดว่าพระเจ้ามีตัญหาหรือเปล่ามีความอยากแล้วเปล่าไม่ถูกถ้าไม่มีแต่การปฏิบัติอย่างนั้นมันเป็นระเบียบคือว่าเจ้าโจมก็ให้มาต้องเจริญศรัทธารักษาไว้เป็นการรักษากําลังใจให้กาลังใจพระเจ้าไม่กอดอยู่ที่วิหารนวัตถุเวลาพาะยาไปไหนแท้า็ไม่ไดวง ไปแล้วถ้ามอบหมายการงานแล้วต้องไปของท่านเมื่อไปจากหลังนี้ไปถึงหลังโน้นเขาไปยุ่งกับหลังโน้นใหม่หลังนี้เลิกกันคือความ่าการปฏิบัติและการปรับปรุงซ่อมแซมรุนับปสังขรงงเป็นหน้าที่เขาบุคคลเขาอาศัยอยู่ถ้พาพระธเจ้าจะอาศัยก็ถือเป็นหน้าที่ของท่านแ้วพระธเจ้ามาอยู่เป็นหน้าที่พระราหันที่อาศัยอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตัณหาตัณหาที่ว่าที่จริงๆเป็นตัวเกาะม่เกาะแน่น กายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆทรัพย์สมบัติส่วนนี้เป็นเราสมบัติส่วนนี้เป็นของเราที่ามตัญหาแปลความพยานอยากท้มันมีสามอย่างหนึ่งมาตัญหาอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีต้องการให้เกิดขึ้นสองภาวะตัญหาสิ่งใดที่มีแล้วต้องการให้ทรงตัวอยู่สมวิภาวะตัญหา เชียงใดที่มันไม่สามารถจะทรงตัวได้จะบังคับให้มันทรงตัววงความว่าทั้งสามแมการนี้เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เชื่อตันหานี่พระเจ้าแจงวาเยอะถ้าว่ากตาระเบียบตามแบบที่พระเจ้าว่าจริงๆนะสามคืนมันยังไม่จบแต่ก็ถามเนี่ยอะรบอกเอาเฉพาะที่เข้าใจ ไอ้ที่ท่านแจ้งไว้มากๆเพื่อว่าคนใดจะไม่เข้าใจและชอดใจตอนใดตัวหนึ่งอไปปฏิบัติตามนี่ท่านถามว่าตัญหาเกิดจากไหน <c oughs> ท่านกต็ตอบของท่านเองว่าตัญหาเกิดจากตาท่านถามว่าตัญหาทรงตัวอยู่ที่ไหนท่านกต็ตอบว่ามันอยู่ที่ตา ตาหูจมูกร่างกายใจทั้งหมดจะเป็นแดงเกิดกับตัณหาและเป็นที่อยูตัณหาในก่กรมัยพราตามันเห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปเกิดมีความพอใจที่รูปเพราะตาเป็นเหตุจิตมันก็คิดตามตาว่ารูปที่เราต้องการจะเป็นรูปคนก็ตามรูปใส่ก็ตามวัตถุก็ตามเรื่องประดับแต่อะไรก็ตามในเมื่อรูปมันปรากฏแล้วตามันเห็นจิตมันจําได้เพราะเขต้องการรูปฝันนั้น ก็ความต้องการมีอยู่ไม่ได้มาสมหวังก็เป็นทุกข์สัานหาไ็นเคยได้เกิดทุกข์ทุกอยากจะได้ก็ามาอันนี้มันก็มีปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าการที่ได้จริงแ่นเข้ามาต้องใช้อะไรกันบ้างสมัยปัจจุบันตอบไม่ยากใช้เงินงเท่าเงินไปซื้อ เ, เ, เ, เข้ามาต้องจ่ายเงินมาเครื่องประดับต่งตางๆอะไรจะได้มาก็ต้องจ่ายเงินคอนใช้ต่างๆก็ต้องจ่ายเงิน นี่การที่ได้เงินมาแล้วได้มาจากอะไรได้จากแรงงานกําลังกายกําลังปัญญากําลังความคิดการใช้แรงงานทั้งหมดมันเป็นาการของความทุกข์ต้องเหนื่อยยากควบรวมเงินที่ตัวทุกข์เกิดจากตาสถาเกิดจากตาในเสียงเพื่องที่รักก็เหมือนกันก็ขอพูดอย่างเดียวก็พอนะเวลามจะไม่พอนี่นการก็เดินเร็วถึงมา ประชาติในกลาลเดือนเร็วกว่าท่นร่างกวรจะพูดมากเพราะรวมความมานตัญหาเกิดตัญหาเจิกราร เ, เห็นเห็นชอบใจเห็นรูปชอบชอบใจในรูปเพราะตาสัญหาเกิดจากตามีเสียงเพราะจากหูสัญหาเกิดที่หูแล้วอยู่ที่หูไปรับจมูกรับกลิ่นที่ชอบใจตัหาอยู่ที่จมูกก็รวมควา ม, มาจุดทุกความทุก ในเมื่อเราอยากจะได้แต่ขั้นต้นก็ต้องเรเกรียมกายนำไม้เกิดความได้ขึ้นมาได้จากอะไรต้องหาทรัพย์สินมัดแรกกับสิ่งที่เราต้องการมันก็เป็นพวกเลยยากอันนี้พอได้มาแล้วเราก็ต้องการเพราะว่าปัญหาก็เกิดขึ้นต้องการให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันทรงตัวและในโลกนี้มีอะไรทรงตัวบ้างไม่มีเลยอย่างคนนี่มันแก่ลงไปทุกวัน สัตว์ก็แก่ปัตจุันมีการเศร้าหมองทุกวันวัตถุาธาตุกเก่าลงมาทุกวันืนิภาวะตัณหาเกิดขึ้นไม่ต้องการให้แก่ไม่ต้องการให้เก่าในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นมันต้องแก่มันต้องเก่าเป็นกฎธรรมดามันไม่ยั่งตัวไอความที่ไม่ต้องการให้แก่ไม่ต้องการให้เก่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทายังไงจะไม่แก่เงี้มนทําังไงจะไม่เก่าไปฝืนกฎธรรมดาอารมณ์ก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็ฝืนไม่ได้ด้วย ต่อไปขั้นสุดท้ายเท่าวัตถุมันหยับพังถ้าคนและสัตว์มันจะตายบีบประวัติฐาใหมา่แล้วอย่าตายเลยอย่าพังเลยมันห้ามก็ไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ต้องการอย่าห้ามในเมื่อห้ามไม่ได้ยับยังไม่ได้มันจะตายมันจะพังใจก็เป็นทุกข์โกรธความวัตันหามี่สามรายการทายแจงแล้ให้หมดละเอียด3ามขืนไม่จบเอาแค่นี้ก็พอนะ เอาแค่นี้เพราะว่าสิ่งที่ทําให้เราเกิดทุกข์ก็ได้วแต่ตัณหา ส, สารกายคือหนึ่งกามาตัณหาอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วก่อนจะได้ต้องต้องแสวงหาทรัพย์ขินต้องเหนืยยากเป็นความทุกข์สองภาวะตัณหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องการให้ทรงตัวมันก็ทรงไม่ได้มันต้องเก่าต้องแก่ทุกวันเราต้องการให้มันไม่เก่าไม่แก่เราก็เป็นทุกข์เพราะมันทรงไม่ได้ สามวิภาวะปัญหาต้องการในทุกสิ่งอย่างที่มันจะพังไม่ต้องการให้มันพังไม่ต้องการมันจะตายไม่ต้องการให้มันตายอย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์เปนทุกมาตอนละล ะ, ละแบบไหนมาตอนละเทา่าคำวินโรทะไม่ดับแล้ววันนี้ไม่ดับพรเหลือเวลาหกนาทีดับเพื่อพวกนี้ไ ม, ม่มีอะไรจะพูดวินโรทะไม่มาดับใช่ไหม <c oughs> ถ้าดับหมดผู้นี้เป็นพาาระละหันหมดชั้นอดตายเพราะกรว اة เป็นพาาระละหันวันนี้ก็นิพพานวันนี้ไปหมดเรียบร้อยตรสกุลก็ไม่ไหวเนี่ยอมาทีแต่คนละคนละคนในเจ้าทั้งลาขาดใจตายไปยังไม่หมดทีเลย <c oughs> ก็รวมความว่าถ้าเวลาถ้าเรารู้จักตัณหาแล้ว <c oughs> ถ้าต้องการจะดับทุกเราก็ต้องรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา การทำลายกัญหาท่ายัางไงก็ต้องใช้มร์แปดมร์แปที่จริงจริท่านไล่เบี้ยแปดข้อมาจำไม่เคยไหวนะ่ะให้จำก็ไม่กได้ต้องรู้ว่ามร์แปดนี่นคืออะไรมร์แปดจริงๆก็คือศินสมาธิปัญญากี่ข้อรวมคณะเป็นศินกี่ข้อรวมคระเป็นสมาธิกี่ข้อร ว, อวมคณะเป็นปัญญาอันนี้ไม่ต้องทำไม่จงกระใจ ให้เข้าใจว่าใช่สิ่งสมาธิปัญญาเป็นตัวทำลายตัณหาวันนี้ก็ยังไม่มทำลายถึงที่สี่นาทีกว่าก็ขอบอกตามที่ท่านบอกว่าในเมื่อเราเข้าใจตามนี้แล้วก็ขออนรดาตท่านอย่างไรย้งมีความเข้าใจตามความจริงว่าร่างกายของเราไม่เกิดจากตัณหาที่เราเกิดมาเน Tight, ี่ยเพราะตกเป็นท่ายของตัณหามาก่อนถ้าเราไม่เป็นท่ายของตัณหาเราก็ไม่เกิด ดังนั้นต่อไปถ้าเราไปคิดจะเกิดสหาทานทำลายปัญหาวิธีทำลายตัญหาต้องค่อยๆทำลายจะทำลายแรงเพราะปกติปัญหาเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วถ้าทำลายแรงเกินไปเกิดทิพยานอย่างแรงความกุ้มความเบื่อหน่าย จ, จะเกิดขึ้นความกุ้มจะเกิดขึ้นดีไม่ดีก็ทำอัตตนิบัติกรรมคือฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ถูก ค่อยๆลค่อยๆเราคิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายตองคนที่หนึ่ ง, งเรากับเราพอดีร่างกายที่สัตว์ท่หนึ่งกับเราพอดีวัตถุท่ายก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสภาพตามความเป็นจริงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่านกลาง ม, มีการสลายตัวในที่สุดเราจะต้องคิดถึงว่าร่างกายที่เราจะไม่ยึดเอาไม่ถือเอา ขณะใดที่ยังมีโลมปราณอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติร่างกายต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าพระเจ้าเองเป็นจอมบริหารเมื่อถึงเวลาร่างกายต้องการอาหารท่านก็เสวยอาหารท่านก็ฉันอาหารหม่กันร่างกายป่วยไข้ไม่สบายท่านก็ฉันยาไม่กั น, ก ม, น, ก น, ม, กนมีหมอชีวรกุมรารพัฒเป็นผู้ปฏิบัติถ้าร่างกายสุขภาพมาดีเขาบริหารร่างกายหม่กันหนาวเกินไปก็ห่มผ้าหนาร้อนเกินไปก็ห่มผ้าบางเหมือนกัาทุกอย่าง นั่นท่านจอมอรหัต์จอมละท่านปฏิบัติตามนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นภาระที่รับอยู่ก่อนก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอย่าฝืนแต่ก็คิดในใจไว้ว่าขึ้นเชื่อการเกิดมีร่างกายอย่างนี้ขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแบบสรุปมันง่ายๆดีถ้าไปได้ด้วยถ้าร่างกายนี้พังไรขึ้นเชื่อความเกิดแบบนี้อารมณ์แบบนี้ไม่สงเครมีกราอีก ความต้องการในรูปความต้องการในเสียงความต้องการในกลิ่นความต้องการในรสความต้องการในสัมผัสอารมณ์บุญบายแบบนี้จะไม่มีสําหรับตราต่ออีกเรามีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีร่างกายแบบนี้เราตายจากนี้ไปเมื่อไรเราจะไปนิพพานหลังจากนั้นก็บรรดาเาพพุทธบริษัททุกท่านก็ตั้งใจคิดว่าขึ้นที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์อารมณ์หุ่นใจปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์เมื่อทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมีร่างกายเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องการมีร่างกายอีกถ้าจิตใจคิดว่าอย่างนี้ทุกวันตื่นขึ้นเช้าตื่นใหม่ๆแต่เช้าเราไม่เช้าก็ช่างเถิดตั้งใจว่าขึ้นที่ว่ากายเกิดมีร่างกายอย่างนี้ขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรก็ไปนิพพาน แต่งานทุกอย่างตามหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างจะมีจะได้ไม่สุดใจกันอดัมบานดาญาโยโมผท้บ ร, ริษัททุกท่านแต่คิดได้อย่างนี้นะก็คนปณิภานแนุกคนบริษัทหลายตั้งใจสมาทากรรมฐาน